ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องโพชชงกระปะพระคือหมวดที่ว่าด้วยสัมโพธชงเจ็ดประการซึ่งก็เป็นตอนหนึ่งในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในการมองโพชชงนั้นทรงสอนให้มองว่า มีพจน์ชงข้อใดข้อหนึ่งปรากฏขึ้นภายในจิตในขณะนั้นๆแล้วถ้าเห็นข้อใดข้อหนึ่งก็ตามก็ศึกษาต่อไปว่าพจน์ชงที่ยังไม่เกิดเนี่ยพจน์ชงข้อนั้นที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นโดยประการดกใดไปศึกษาสืบสาวไปถึงเหตุเกิดของพจน์ชงในข้อนั้นๆัี่พจน์ชงเราเนี่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะให้ดำรงอยู่ตลอดไปได้โดวยวิธีใด ไปศึกษาไปด้วยประการนั้นพระชนนนั้นเป็นองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุธรรมตามเสด็จรอยอยุคนบาทของพระพุทธเจ้าในแง่ของเนื้อหาสาระคือโดยอัตถะคือโดยเนื้อหานี่นั้นก็คือหลักในอริมาร์ยองแปดประการ ก็ได้พูดมาถึงสติสัมพพชฌงค์แล้วก็ธรรมวิจยะสัมพพชฌงค์องค์รรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้จัดสรุธรรมคือธรรมวิจัยโดยการพิพจารณาสอดส่องเลือกเฟ้นธรรมะที่ในแง่ของความเป็นจริงก็คือหลักของสมาธิธแต่แก่กปัญญาที่เห็นชอบ ตามความจริงของสังขารธรรมทั้งหลายนั่นเองแต่ทีนี้ในเมื่อกล่าวถึงเหตุเกิดของธรรมวิจยะสองพุทธชงคือองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้แตสรุธรรมคือธรรมวิจยะนั้นก็ได้พูดมาหลายข้อแล้วคือท่านจำแนกไว้เป็นเจประการนี้เป็นเป็นงานของปราตกถาจารย์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองแต่ว่า พระตักษาอาจารย์ท่านก็รวบรวมมาจากที่พรเจ้าทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆก็เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันในข้อแรกก็คือต้องมีการสอบถามเพราะกระบวนการคิดพิจารณาวินิจฉัยตัดสินตรวจสอบแล้วก็ตัดสินเนี่ยข้อมูลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ถ้าข้อมูลไม่ชัดเจนหรือข้อมูลบกพร่องไปในส่วนใดส่วนหนึ่งจะยากต่อการตัดสินเท็จสูกตรงตามความเป็นจริงบางบางเรื่องที่เราไม่รู้ก็ต้องมีการสอบถามในปัจจุบันเราก็มีอุปกรณ์เยอะเช่นาการค้นคว้าจากเอกสารต่างๆการค้นคว้าจากพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็ตลอดถึงไอ้พวกซีดีวีซีดีอะไรที่มันเป็นสาระประโยชน์ก็มีอยู่เยอะ แล้วก็ ก, การทำวัตถุให้ผ่องใสก็คือในส่วนของกายภาพือส่วนของที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มตัวของตัวเองต้องมีความสะอาดสะอ้านคนก่อนก็พูดมาถึงการปรับอินซีให้สม่าเสมอแกนอินซีนี่เราเจอบ่อยเพราะอินซีนั้นเป็นหลักการสำคัญอย่างที่เคยบอกไว้ว่าพูะเจ้าทรงอุ ป, ปมาว่าเหมือนสหายห้าคน คนหนึ่งเป็นราชกุมารคนหนึ่งเป็นบุตรอมตะแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาเป็นไหนมาไหนด้วยกันเวลาไปเที่ยวบ้านเพื่อนคนใดคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นก็จะรับผิดชอบดูลแลเพื่อนอีกสีคนแต่พอเข้าไปในวังเนี่ยทุกคนจะอยู่ภายใต้อำนาจของพระราชกุมารก็คือปัญญาแสดงเห็นว่าในการปฏิบัติในสัทธาเองก็ต้องมีปัญญากากับวิทยาเองก็ต้องมีปัญญากากับสติเองก็ต้องมีปัญญา สมาชิเองก็ต้องมีปัญญาทีนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่คือบางครั้งเราขาดการพิจารณาเชียวเคียงมันมองเว่าจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ตัดสินออกจากจุดนั้นเพราะปัญญาเนี่จึงต้องใช้ทุกเรื่องไม่ว่าธรรมะข้อไหนก็ตามเมตตาก็ดีขันติก็ดีอธิษฐานก็ดีตั้งสัจจาก็ดีเนี่ยต้องมีปัญญาเท่านั้นแหละ นี้อินทรีย์เนี่ยคือศรัทธากับปัญญาต้องปรับให้สม่ำเสมอกันสมาธิกับวิริยะต้องปรับให้สม่ำเสมอกันสตินั้นมากจะมากเท่าไหร่ได้ก็ดีนะเพราะว่าสติเนี่ยมันมีแต่ขาดมนันไม่มีสมบูรณ์เพราะสมบูรณ์จะต้องเป็นพระหันแต่นั้นสติจะเหมือนกับเจเรที่มีการตรวจสอบระลึกรู้ อะไรยิ่งอะไรย่อนก็พยายามปรับแล้วการเว้นเกี่ยวข้องกับผ่านสมาคมกับคนที่มีปัญญาสามอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือการครบผ่านมันก็มีปัญหาทุกแห่งอะเราจะเข้าใดก็ตามเรื่องคนผ่านจะต้องงดเว้นเพราะว่าจะฉุดรัง้งเหนียวรั้งเราเอาไว้ไม่ให้สามารถที่จะก้าวไปบนเส้นทางที่เราต้องการได้ เราก็จะลากเราไปตามเขายันที่ทรงแสดงถึงการคบคนชั่วเป็นมิตรเอาไว้ว่ามันจะมีโอกาสที่เขาจะชกจูงไปให้ไปในลุมบ่อใบยมุกทั้งหลายนะฮะ้าตามปกติแล้วมันชุดลงต่ำนี่ง่ายดึงขึ้นสูงนี่ยากจิตใจเราจะมีลักษณะอย่างนั้นเพรา ะ, ะดึงลงต่ำจะง่าย ที่เราจะอดกลั้นอดทนกับโกรธเนี่ยคือแสดงลูอำนาจแก่ความโกรธออกไปเลยหรือว่าอดการ้นอดทนเอาไว้เนี่ยอดกาั้นอดทนจะยากกว่าแต่แน่นอนในรายละเอียดมันก็อยู่ที่ใครเพราะหลักการสําคัญเนี่ยว่าคนดีเนี่ยทำความดีได้ง่ายแต่ทําความชั่วได้ยากคนชั่วทําความชั่วได้ง่ายแต่ว่าทําความดีได้ยากเพราะตอนทั้งรายละเอียดไอ้ความยากง่ายเนี่ยมันอยู่ที่ใคร มันไม่อยู่ในสิ่งนั้นเป็นอะไรเรื่องมันเรื่อง ม, มันมีความสลับซับซ้อนยากได้เกิดแต่คนบางคนนี่ก็มีความชานาญเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาทำไมาปฏิบัติเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าการครบกับคนพานเนี่ยไม่ใช่ว่าตัดขาดไปเลยคือถ้าเราจะสงเคราะห์น้อครอช่วยเหลือเขาก็ต้องช่วยนะฮะเพราะว่าถ้าบัณฑิตไม่ช่วยคนพาลมันก็แย่เหมือนกันเนะ ไม่รู้ใครจะช่วยใครนะเพราะว่าบนพานเนี่ยมันอยู่ที่ในสภาพที่เรียกว่าช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ต้องอาศัยการชี้แนะการอบ ร, รมสั่งสอนจากบัณฑิตแล้วเราจะเห็นสภาพจิดอย่างหนึ่งว่เาเมื่อปัญญาเราเพิ่มขึ้นจิตใจเราบริสุทธิ์ขึ้นเนี่ยเราจะเกิดเมตตากรุณาต่อคนที่ปัญญาไม่เสมอเราความบริสุทธิ์ไม่เสมอเรา มันคือคือความคิดที่ถูกต้องที่สุดแต่ทีนี้บางทีก็อาจจะคิดผิดเช่นว่าไปดูหมิ่นคนอื่นว่าโง่ไปดูหมิ่นคนอื่นว่าทุจริตซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยเขามีคิดอย่างที่เคยเล่าฟังว่าวันก่อนมีพระมาอ้างว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นพระส ก, กิริยามีแต่ในขณะเดียวกันเขาวิจารณ์ระดับครูบาอาจารย์นะขนาดเราเรียกหลวงปู่นะ ว่าไม่เข้าใจวิปัสนาะจิตไม่ถึงจิตอยู่แค่อุปจารไม่ถึงแม้แต่อั ป, ปนาแลวแต่โอวาไปเลยโดยแกไม่รู้อันนี้คือขัดแย้งกับความเป็นสกิทาคามีเพราะพระสกิทาคามีจะมองคนที่อ่อนรอยกว่าตนด้วยความสงสารและอย่าลืมมาจงนี้มันเป็นเจตโตปริยาณมันเป็นระดับปภิญญาที่ถ้าเป็นโลกิยะแล้วเนี่ยมันไม่แน่หรอก มันต้องเป็นอภิญญาที่เป็นโล ก, กุตระที่นี้พอเป็นอภิญญาที่เป็นโล ก, กุตระท่านจะเกิดกรุณาท่านจะไม่เอามาวิพากวิจารณ์ในลักษณะ น, น, นั้นคือสรุปแล้วว่าการปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันเมื่อเห็นว่ากุศลเขาเพิ่มเนี่ยต้องเห็นอกุศลลดด้วยมันไม่ใช่ว่าขณะหนึ่งพูดเป็นกุศลได้ขนาดหนึ่งกลายเป็นอกุศล ก็แสดงว่าไอ้ที่คิดว่าเป็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นจริงที่คิดว่ามีไม่ได้มีจริงก็คล้ายๆกับบอกว่าเราสามารถทำเรื่องนี้ได้อธิบายได้เป็นตุเป็นตะโดยภาคทฤษฎีแต่พอเขาให้ทาจริงๆทำไม่ได้เมื่อก็ยืนยันได้ไว่าที่คุณพูดเน่ยไม่จริงแล้วสิ่งทหลายมันจะมีบทพิสูจน์ของมันแล้วก็ผ่านสมาคมกับคนที่มีปัญญา เพราะว่าเมื่อเราสอบถามเขาก็ตอบให้ได้แล้วเขาจะชี้แนะจะเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์หนนเคราะห์ช่วยเหลือคือกูต์เราได้ในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องไปใช้ปัญญาพิจารณาความประพฤติ ด, ด้ว ย, ย่านนะนึกซึ้งคือตรวจสอบตัวเองนะเราอย่าลืมมันนี่คือหลักการทั้งคันเวนลาของพุทธศาสนานั้นจะเน้นที่การตรวจสอบตัวเอง จุดเด่นอย่างหนึ่งที่ทรงแสดงไว้ว่าคนพานั้นจะเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะนั้นคือจุดเด่นของคนผ่านพูดถึงคนอื่นได้เลยอย่างนี้ท่านาศาสน์สวรรค์แจ่มกล่าวไว้ในอุทานธรรมว่าโทษคนอื่นแลเห็นเป็นภูเขาโทษของเราเละไม่เห็นเท่าเส้นขนตดผู้อื่นเหม็นเบื่อเหลือจะทนตดของตนถึงจะเหม็นไม่เป็นไร นี่คือลักษณะของคนผ่านแต่บัณฑิตนั้นไม่ใช่อย่างนั้นบัณฑิตจะเพ่งโทษตนตนเองเนี่เป็นลักษณะจะมีการจุวสอบจะมีความดูความบกพร่องความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขดังนั้นการเข้าหาสมาคมกับบัณฑิตเนี่ยคือคนที่มีปัญญาบัณฑิตเนี่ยจิตใจเขาจะโอนโยน ถ้าบัณฑิตจริงๆจิตอ่อนโยนนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าตัวปัญญามันจะทําลายกิเลสมันจะลดความเข้มข้นของกิเลสจิตมันจะแสดงความเมตตากรุณาตั้งโครงสร้างพุทธคุณได้เลยแล้นั้นกลายเป็นเครื่องวัดอีกทีหนึ่งว่าคุณเป็นบัณฑิตหรือไม่เป็นบัณฑิตก็อยู่ที่จิตอ่อนโยนหรือไม่ จิตที่เมตตารกรุณาจิตที่มุ่งอนุเคราะห์ต่อบุคคลอื่นมันเป็นอาการกบัณฑิตการข้ห า, าสมาคมก บ, บัณฑิตจึงได้ประโยชน์บัณฑิตเป็นบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แก่มหาชนเพราะเขาบริหารชาติบ้านเมืองด้วยปัญญาจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็เมตตารกรุณาต่ออาณาประชาราษฎรเพราะนประวัติศาสตร์เนี่ยเราเห็นชัดเจนนะ ประวัติศาสตร์ที่ว่ากษัตริย์พระองค์ใดที่ดํารงอยู่ในทศพิตราชธรรมนั้นเป็นการเคลื่อนไหวของปัญญาความบริสุทธิ์แล้วก็ความไม่ตากรุณามีประชาชนเป็นเป้าหมายมุ่งบำบัดทุกข์บำบัดสุขให้แก่อาาประชารัฐตรอดเป็นเป้าหมายตัวเองเห่อยากลำบากเสี่ยงเสี่ยงภยัยเสี่ยงอันตรายยังไงก็ไม่ได้คิดเพราะงั้นนิสัยของมหาบุรุษจึงเขาเรียกว่ามีอัธยาศัยใหญ่ สา ม, มัญชนเป็นคิดแบบหมาบูรุษไม่ได้เพราะสา ม, มัญชนจะคิดถึงตัวเองแต่ว่าหมาบูรุษจะคิดถึงคนอื่นเพราะว่าเมื่อเทียบเคียงแล้วตอนอื่นตัวเองก็เล็กนิดเดียวคนอื่นเขามีจํานวนมากกว่าท่านเหล่านี้จึงพร้อมที่จะเสียสละเประยชสุกคนตนเองเพื่อประโยชน์สุกแก่บุคคลอื่นประการต่อไปคือน้อมใจไปในธรรมวิจยะนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อการเกิดขึ้นแห่งธรรมปิยาสัพพชงเาะความเป็นอยู่ของท่านเหล่านี้จึงมากไปด้วยการศึกษาในแนวของวิปัสนาตัวอารมณ์ของวิปัสนาเหตุเกิดของวิของวิปัสนาการของวิปัสนาเช่นว่าศึกษาเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องอินทรีย์ อินทรีย์นี้ไม่ใช่เฉพาะอินทรีย์ห้านะฮะอินทรีย์คืออญญายตาภายในภายนอกอินทรีย์ทั้งยี่สิบสองคือศึกษาสอบถามพินิจพิจารณาตรวจสอบดูที่ตัวเองแล้วก็พระละห้าก็คืออินทรีย์ห้าตลอดถึงโพชฌงค์มรคองค์ชาญสมถะวิปัสนาได้เจนว่าองค์ชาญนั้นมันเป็นผล ะธมะส ม, สสมถาวิปัสนาเป็นเหตุจิตที่สงบมันเป็นผลปัญญาที่รู้แจ้งเป็นผลก็สรุปรวมแล้วว่าคือปริปุจฉาคือสอบถามทีประการต่อไปคือวิริยะก็อย่างที่บอกไว้ว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นวิริยะวาตีกับเป็นกรรมวาตี ผลทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเป็นเรื่องของความเพียรพยายามของเราแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการอธิบายไปตามลำดับองค์ธรรมที่ทรงแสดงไว้แต่เวลาเกิดที่จิตเรามันมันไม่แน่องค์ไหนเกิดก่อนไม่รู้อะไรเกิดก่อนเกิดหลังก็ดูเท่าที่ปรากฏในขณะนั้นๆแต่นนนในการปรากฏขององค์ธรรมในขณะนั้นนั้น เราเห็นว่าบางทีเนี่ยท่านนำมาพูดเป็นเรื่องขณะบางกอนก็ไปบรรยายที่องค์การพลสลอเดี๋ยวตั้งข้อสังเกตให้ผู้ฟังได้คิดเพราะว่าเป็นนักการศาสนาทั้งนั้นเนี่ยคือบอกว่ายกตัวอย่างเช่นในอภิธรรมนี่ถือว่าวิชาทิฐิมันอยู่ในกลุ่มของโลภะ แต่ถ้าเรามองในแง่ของความจริงว่ามันเป็นการพูดในขณะหนึ่งเพราะมิจฉาทิฐินั้นอาจจะเกิดยังไงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเช่นพระเทวทัตเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านเกิดมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดขึ้นมาเพราะเกิดโทสะรู้สึกไม่พอใจที่คนอื่นในรับการต้อนรับอย่างดีในขณะที่ตัวเองไม่มีใครสอบถามไว้ ทีนี้ก็มีนักศึกษานพิธรรมเขาก็นั่งอยู่ด้วยเขาก็อธิบายแต่แนวพิธรรมบอกคุณดูเถอะคืออย่าลืมว่าเมื่อคุณเน้นที่ตัณหาแล้วไปอุปาทานเนี่ยคุณอย่าลืมว่าเวลาเราสัมผัสอารมณ์เนี่ยอาญตนาผัสสาบเบทนาตัณหาอุปาทานมันเพิ่งไปเปอยอย่างนั้นเวลาสัมผัสอารมณ์มันไม่จําเป็นจะต้องเกิดตัณหานี่นะเมืเ่อเกิดเบตนาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเกิดตัณหา ม่นเกิดศรัทธาก็ได้เกิธธเดกปัญญาก็ได้แต่กรุณาก็ได้เกิดเมตตก็ได้กุศล ต, ต่างๆมันเกิดขึ้นได้เยอะทําไมต้องไม่มองอีกด้านหนึ่งอ่ะมองอีกด้านหนึ่งว่าในขณะที่เมื่อมันเริ่มต้นที่กุศลอกุศลเนี่ยบางทีตอนปลายมันเป็นกุศลก็ได้อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นเนี่ยว่าความรักเกิดจากความรักความรักเกิดจากความกลัวความกลัวเกิดจากความกลัวความกลัวเกิดจากความรั ก, ร ก, ร ก, ร ก, รกในขณะเดียวกั น, ก น, นอีกด้านหนึ่งเนี่ย เมตตาเนี่ยเกิดจากเมตตาหรือว่าเมตตาเกิดมาจากกรุณาหรือเมตตาเกิดมาจากศรัทธาเมตตาเกิดมาจากความรักอะไรมันก็ไปได้เยอะและคือทำยังไงว่าเราดูที่จิตเราด้วยเวลาศึกษาเวลาพิจารณาเวลาอ่านธรรมะในมองกลับไปที่จิตด้วยเพราะเวลาสื่อสารกับคนเราสื่อสารด้วยภาษาธรรมดา สื่สารด้วยภาษาคนไม่ใช่ภาษาธรรมะที่ยากยัในใ่คือวันจันทร์ที่มามาตอบปัญหาทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับจะมีรายการอภิธรรมฟังรายการอภิธรรมมาทุกๆคืนทีจริงอาจารย์พวกนี้คุ้นกันนะแต่ก็มีความรู้สึกว่าทำไมท่านๆมีศัพท์บาลีเยอะมากๆ แล้วถามถามเด็กที่ขับรถไดอบอกฟังรู้เรื่องไหมแกบอกไม่รู้เรื่องแล้วก็ น, นึกว่าถ้าเราพูดอย่างนี้มันก็คนกลุ่มเล็กๆที่ฟังแล้วเข้าใจคนตัวไปก็าฟังไม่รู้เรื่องเพราะมันสะดุดปั๊บพี่สับส์ดุดปับ๊บที่สับแสงต่างๆเนราจะลืมพระเจ้าเป็นโลกุตระจิตแต่ว่าสื่อสารกับชาวบ้านโดยกามาวาจรจิต คือพูดโดยภาษาชาวบ้านภาษาธรรมด า, าธรรมดาถ้าเราดูในพระสูตรกันในตกากถาเนี่ยจะเห็นว่าต่างกันเยอะเลยพระสูตรจะง่ายโครงสร้างทางวยากรก็กดีรูปสับก็ดีจะไม่ค่อยมีสมาท้องต่อกันไปเป็นครึ่งหน้ายังไม่ค่อยมีอย่างนั้นเน่ยอนแล้วเข้าใจ พออันตรกถาเนี่ยบางทีก็แปลก็ไม่ออกแล้วมันยาวเลยคือเกิ่สับมันต่อเป็นสมารท้องสมารซนสมารกันเป็นแถวเลยนั่งวิเคราะห์กันกว่าจะเอาออกมาได้เมื่อก็ทำให้กลายเป็นอุปสรรคมองมเห็นธรรมะอยู่ในที่สูงคือเอาธรรมะไปแขวนไว้ข้างบน คือเราอย่าลืมมาบทเรียนในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยที่ศาสนาพุทธได้เสื่อมไปจากประเทศอินเดียก่อนที่อิสลามเติบกจะบุกเนื่องจากพวกฝ่ายหนึ่งไปเล่นคุณใส่มากเกินไปฝ่ายหนึ่งก็เล่นสุญญาตากันจนเพลินจนพูดแล้วคนหคางไม่รู้เรื่องเดีวเสร็จแล้วก็ถกเฉียงกับพิปรายกันเป็นลักษณะาตาบอดเียงกับตาบอดวุ่นหมดเ มันก็เหมือนกับเราดักสัตว์ไอ้บ่วงมันอยู่สูงเกินไปคือสัตว์มันก็เดินลอดเดินลอดบ่วงบังที่บ่วงมันอยู่ต่ำเกินไปสัตว์มันเหยียบไปเลยข้ามไปเลยดักสัตว์ใหญ่ไม่ได้บ่วงมันเล็กเกินไปคือต่ำเกินไปสัตว์ก็เดินเหยียบไปเลยเรื่องการสื่อสารธรรมะให้พยายามรักษาเนื้อหาเอาไว้ส่วนภาษานั่ง มันก็หลากหลายไปตามกาลเทศะกรุงคนบุคคลโครงสร้างของสัพพิสธรรมนะฮะอัถถัญญาตาธรรมัญญาตาอัตัญญาตายางที่ว่านี่แต่นี้วิริยะสัมโพชฌงค์แล้วก็มีลักษณะอย่างเดียวกันว่าเมื่อเกิดเนี่ยก็ให้รู้ว่าขนาด น, นี้วิริยะสัมโพชฌงคมันเกิดทีนี้ที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยประการใดก็ให้รู้โดยประการนั้นวิริยะที่จริงเรียกวีริยะ เร็วกล้าหารก็รับสั่งแสดงว่าภิกษุทั้งหลายอารามพธาตุคือการประรบการริเริ่มนิกกมาธาตุความพยายามความบากบัน่นบรรารกมธาตุความบากบัน่นความมุ่งมัน่นแต่ละอย่างเนี่ย ทำให้เกิดแล้วก็การทำไว้ในใจโดยบายวิธีที่แยกคายมองเห็นคุณค่าของความเพียรมองเห็นโทษของความเกียรคร้านพิจารณาแยกแยะเทียบเคียงให้ชัดเจนในส่วนที่เป็นคุณเป็นโทษแล้วก็จิตใจมันจะน่ายังเกียจในส่วนที่เป็นโทษแล้วก็พอใจยินดีในส่วนที่เป็นคุณ The curriculum เพรา ะ, ะเราจะเห็นว่าในบาลีส่วนหนึ่งจะทรงทรงใช้คำว่า อ, อารัฐวิโยวิหารติตนการดำารงชีวิตยอยู่ด้วยการปรารกความเพียรที่ต่อเนื่องเพราะในความเพียรเราจึงเห็นว่าสัตว์ที่ทรงนำมาใช้เนี่ยมันจะเคลื่อนไหว มันจะมีลักษณะเคลื่อนไหวเช่นความบากักบั่นความริเริ่มความมุ่งมั่นความอุตสาหะความควรขวายความพยายามใช่ไหมเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวทางกายทางวิช า, าทางใจจะมีอาการเคลื่อนไหวให้เราเห็นทีนี้เมื่อเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาแล้วมีความชัดเจนในส่วนที่เป็นคุณของวิริยะแล้วก็โทษของโกศชาคือโทษของความเกียรคร้าน จากนั้นก็จะมีการกระทําความเพียนเพราะงาั้นเราสั่งว่าอารามพัธาต์เนี่ยมันเป็นอาหารคือเป็นปัจจัยที่จะเป็นไปเพื่อให้ปริยะสัมโพชจงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นเพราะงั้นถ้าเราไปดูในสัมมาวยามะในข้อสุดท้ายนะฮะเรียกว่าอารักสัมรรมะเนี่ยหมายความว่าเพียนพยายามรักษา กุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมแล้วพยายามเพิ่มพูนต่อไปจนกว่าจะเข้าถึงความสมบูรณ์เป็นภาษาที่ทรงใช้ในสัมมาวยายมะซึ่งก็มีลักษณนะเช่นเดียวกันใช้คําคว่าพิญโยผ้าเพื่อความไพบู์เพื่อความเจริญเพื่อความสมบูรณ์เหมือนกันตรงน้นก็แห่งแห่งสัมมาวยายมะตรงนี้ก็แห่งวิริยะสัมโพชฌง ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพื่อให้เกิดเข้าเข้าถึงความสมบูรณ์ทีนี้อีกประการหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่ามีปัจจัยอยู่สิบเอ็ดประการที่จะเป็นเหตุได้เกิดวิริยะสัมโพธิสงสรุปว่าทุกวิริยะนั่นแหละทุกความเพียรนั่นแหละเพียงแต่ว่า ไอเหตุปัจจัยมันมีความยิ่งหย่อนแตกต่างกันอันนี้เป็นความเพียรทางจิตมันเป็นการต่อสู้สงครามมาราทอนคือยุดเยือเป็นการต่อสู้ก็กิเลสก็ชักก็เยอ่อกันอยู่ตลอดผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเพราะงั้นก็ต้องมีการพิจารณาเห็นภัยในอบายเธอคนที่เกลียดครางคนที่มีความเพียรเลว นะไม่พยายามที่จะลดละบาปอากุศลไม่พยายามที่จะป้องกันอกุศลไม่พยายามที่จะเสริมสร้างความดีเนี่ยนรกมันรออยู่ข้างหน้าตายไปแล้วไปเกิดในอบายทั้งสี่อย่างได้อย่างหนึ่งเพราะการการมองเห็นอบายรออยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะทำให้บุคคลเกิดความอุตสาหะที่จะ หลีกเลี่ยงไม่ให้ตกลงไปสู่อาบายความคิดตร ง, ตรงนี้วันวันก่อนก็แต่ประลรบฟังในที่ประชุมมีโยมก็เป็นอาจารย์สอนสมาธิก็บอกเพิ่งเพิ่งคิดเพิ่งได้เพิ่งได้ดยินเดี้ยงตัวอย่างว่าเหตุการณ์ภพักได้เนี่ยหรือถ้าเรามองในแง่ของกรรมกับสังสารวัติ ผู้ฆ่าเป็นผู้ที่น่าสงสารที่สุดผู้ถูกฆ่านั้นน่าสงสารแต่ว่าอนาคตก็ไปดีถ้าเขาไม่ได้ทำคามช่วอะไรไว้เนี่ยก็ไปเกิดดีแน่นอนแต่ผู้ฆ่าคนอื่นเนี่ยเป็นทุกข์ในหลังจากฆ่าไปแล้วและทุกนั้นจะกัดกร่อนจิตใจยอยู่ตลอดมีความบาดระแวงมีความมิตกกังวลถึงจุดหนึ่งก็ถูกจกบกุมกุมขังลงโทษไป แทนที่จะยุติตรงนั้นไม่ยุติตายไปแล้วแบบมันเกิดแนาบายและเกิดกี่ชาติเราก็ไม่รู้เพราะบาปกรรมการฆ่าคนที่เขาเรียกประทุดสลายต่อผู้ที่ไม่ประทุดสลายเนี่ยบาปมากนะแล้วส่วนหนึ่งก็จะสัมผัสผลในปัจจุบันพการมองเห็นภายในแนบายเนี่ยทั้งฝั่งคุณลึกออกว่าเหตุเกิดอุตตปะก็ต้อง กลัวภายในบายเพราะตัวอุตรประเองก็ต้องใช้ความพยายามที่จะหยุดตัวเองไว้จากการทําความชั่วปัจจัยเสริมก็คือต้องกลัวภัยในบายเหมือนกันในขณะเดียวกันก็ต้องเห็นอานิสงส์ของความเพียรคนที่ประสบความสําเร็จในด้านการศึกษาในด้านการงานอาชีพในหน้าที่ตําแหน่งต่างๆมีความเจริญก้าวหน้า ในแต่ละสายของตัวเองเนี่ยมันเป็นผลเป็นอนิสง์มาจากความเพียรพยายามที่ถูกทางของคนเรานั้นไม่มีอะไร ล, ะลอยๆแม้แต่หรวพ่อตเจ้าเองก็ประสบความสำเร็จด้วยความเพียรพยายามในลักษณะยอมตายเพราะอถ้าเรามองแล้วเราชัดเจนนะว่าแล้วถ้าเราชัดเจนตรงนี้เราสังเกตรเราจะไม่ทิษยาคนที่เขาประสบความสำเร็จ มันเป็นผลของความเพียรพยายามที่ถูกทางของเขาโดยเฉ่าในการงานเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ความรู้ความสามารถขี่มือกันแต่ว่าการเลื่อนชั้นดยดตำแหน่งเนี่ยมันไม่จำเป็นเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามาแต่เนื้อหาสาระของชีวิตมันอยู่ที่ความสมเร็จในภารกิจ มันไม่ใช่คนอื่นตั้งให้คือสรุปไม่ใช่คนอื่นตั้งให้เมื่อเราเชื่อหลักกรรมบาชีเนี่ยความเป็นใหญ่ทั้งหลายไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นตั้งให้แต่อยู่ที่เราใช้ความเพียรพยายามกระทำเองแล้วพวกนี้มันจะกลายเป็นกุศลที่ไปอุปถัมภ์สนับสนุนเราในชาติปัจจุบันและในชา ต, ติต่อไปด้วยพาะต้องพิจารณาเห็นอานิสงส์แล้วก็พิจารณาเห็นทางดาเนิน ไปบนเส้นทางของความเพียพยายามเนี่ยตรงนี้เราก็เจอในวิสุทธิเจตแต่เห็นว่ามันต้องชัดเจนว่าไปทางไหนแล้วเนี่ยเพราก็จริงว่ามีทางควรไปกับไม่ควรไปมีทางเลี้ยวรถคดเคี้ยวกับทางที่ตรงไปแต่จะต้องมีความชัดเจนสแสดงว่าปัญญาก็ต้องเข้ามาสติก็ต้องเข้ามา เห็นไหมว่าพระชงอีกสองข้อเนี the ่ยก็ต้องเข้ามาเสริมทีนี้การประพฤติอ่อนน้อมต่อปัจจัยทั้งหลายนะปัจจัยทั้งหลายที่เราได้การรับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นคือไม่แสดงอาการรังเกียรไม่แสดงอาการท้อถอยสามารถที่จะยังอัตภาพไปเป็นไปด้วยปัจจัยสี่ มีตามได้ดีบ้างไม่ดีบ้างหยาบบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะในปัจจัยสี่จึงส่งสอนให้พิจารณาพิจารณาในขั้นรับในขณะบริโภคใช้สอยหลังจากบริโภคใช้สอยเพราปัจจัยสี่ออกจากเป็นเรื่องใหญ่ถ้าหากว่ามันขาดเขาเรียกขาดสัปปายะนะอาหารแสัปปายะอย่างนี้ แสดงว่าคนบางคนมีเอท้องไส้ไม่คดีมีอาหารผิดอาหารอยู่เรื่อยๆก็ยุ่งกันนะนะนั่งสมาธิใจก็ไม่สงบท้องก็ล้นโคลงบางทีก็ปวดท้องอะไรต่รต่างๆมันก็ยุ่งอ่ะพรางนั้นข้อสําคัญว่ายัางอัตภาพไปเป็นไปแต่อย่าให้เป็นพิษเป็นภัยก็แล้วกันดีไม่ดีก็ช่างเถอะ พิจารณาอินความเป็นใหญ่โดยความเป็นทายาททายาทของใครทายาทของพระพุทธเจ้าไปเลยหรือศาสนทายาทเราอยู่ปลายแถวแล้วเราก็ถือเราศาสนาทายาทพระเจ้าเราประสบความสาเร็จด้วยความเพียรพยายามพระยะบุคคลทั้งหลายประสบความสาเร็จด้วยความเพียรพยายามทุกคนไม่มีใครได้ลอย เหนือยยากลําบากทุกทรมานสาหัสสาการเกือบเป็นเกือบตายผู้อาจาจะกลับเป็นต้นแบบเลยนะฮะอาจะรย์ตรงค์กับหมาป่าทาเนี่ยมันเป็นต้นแบบเลยเราถ้าใครทําถึงจุดนั้นแล้วก็เห็นหน้าเห็หลังแต่ว่าเราอกขจริงบารมีต้องแก่กล้านะฮะเพราะอย่าลืมตรงนั้นมันต้องมีอธิษฐานต้องมีขันติต้องมี ใจิตใจที่หนักแน่นมันคงต้องมีปัญญาคือสรุปบารมีทั้งสิบเนี่ยมันต้องมาเสริมหน่แย่แงั้นก็สู้ไม่ไหวทีนี้ถ้าบารมีอ่อนเนี่ยในสุดไปเจออะไรปวดเมื่อยนิดหน่อย ก, ก็เอามาอยู่แล้วแต่ของพระโพธิสัตว์ก่อน จ, ะจะัดสรเนี่แม่เลือดเนื้อในกายของเราจะเกิดแทงแห้งไปยังเหลือแต่หนังเองกระดูกก็าตามถ้าหากว่าไม่ สามารถบรรลุคุณพิเศษด้วยความเพียรพยายามนี้แล้วก็จะไม่ลุกขึ้นจากอาสนะพอตอนเราเดินบนเส้นทางสายนี้เราก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้โดยเสด็จโดยเสด็จย่อยรอยุคนบาดของพระพุทธเจ้าหรือพระหรันบางองค์เช่นพระโสนาโกลิวิสา์นี้ท่านเดินจงกรมจนเท้าแตกเละหมดเลย หรือบุกษาติกุลบุตรที่เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงจุดหนึ่งรองเท้าขาดไปก็ไม่คุ้นเคยกับการเดินโดยไม่มีรองเท้าเราเป็นกษัตริย์ทั้งช้ฉลองพระบาทก็ต้องครานด้วยเขามาเพื่อมาพบพระพุทธเจ้าจึงได้บุรารย์ในดีตใช้ความเพียรพยายามสูงมากแต่จริงเราในปัจจุบันก็หย่อนนะความเพียรก็หย่อน เราไม่ถึงท่านหรอกยังเคยอ่านประวัติหลวงปู่แหวนที่ท่านบำเพ็ญกรรมฐ า, านอยู่ในป่าวันที่ฝนตกแรงไม่มีที่หลบไม่มีที่อยู่เบียกปอนหมดเลยบบ ก, ก็นอนก็นอนทั้องฝนตกอย่างนั้นเนี่ยผ้าก็เปียกอะไรก็เปียกนอนก็นจนแห้ง บางทีก็เดินยกรมทั้งท่าทกลางฝนตึตกอยู่เนี่ยบรรดาบุรุพาจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านเราก็รู้สึกจะเดินตามทีนี้พิจารณาเห็นความเป็นใหญ่ของพระศาสดาพระเจ้าที่ได้เฉลิมพระนามว่าเป็นสัตธาเดวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มันเป็นผลของความเพียรพยายามสุดๆคือถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของศาสตาทั้งหลายนะถ้าเราไม่เอาท่านมหาวีระซึ่งท่านใช้วิธีทรมานร่างกายนะคนที่ใช้ความเพียรจนบรรลุผลด้วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครเทียบพระพุทธเจ้าเพราะส่วนใหญ่มันเป็นการรับสาร จากเบื้องสูงแม้แต่ศาสนาพราหมณ์เองนะหมายฤาษีเจ็ดตนเนี่ยเป็นการบงการเป็นการสื่อสารของพระพรหมหมายเขียนคำภีพระเวทขึ้นแต่วิสาสาพูดนี่ชัดเจนวิา ส, สดาเนี่ยใช้ความเพียรพยายามอย่างคนคนหนึ่งลองผิดลองถูกไป จากสามัญจากสูงสุดคืนสู่สามัญจากสามัญคืนสู่สูงสุดและจากสูงสุดก็อยู่อย่างสามัญยิ่งใหญ่มากเพราะนั้นเราก็ภาคภูมิใจที่เรามีศาสดาที่ไม่ต้องอิงอาศัยใครในการศึกษาคนกว่าหาทางแล้วก็หลักคำสอนก็พิสูจน์ได้ ทุกยุคทุสมัยการิจณเห็นความเป็นใหญ่โดยชาติโดยชาติของเราแล้วก็ชาติอย่างหนึ่งเนี่ยเราอย่าลืมนะแม้แต่ความเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ไม่ใช่ธรรมดาละไปกุศลจิตโฉมนุสสาวติลาโพการได้อนาตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นของยากเป็นวิธีการเป็นชาวพุทธเนี่ยเราอย่าลืมว่าเขาเรียกว่าสมณนสักกายบุตรคือสมณนที่เป็นบุตรของสักกาย ก็ถือว่าเป็นเป็นลูกอ่ะเป็นเป็นอย่างน้อยก็เป็นทายาทในราชวงศ์แล้วก็โดยเฉพาะอยงยิ่งคืออริยากัจชาตอริยกัจชาตในที่นี้หมายถึงว่าเราเกิดมาในธรรมบินัยของพระอริยะก็อย่างที่พระยารับสั่งแก่พระองคุลิมาในตอนถูกขว้างปาลาในแต่ละต่าง ก็รับสั่งให้เปลี่ยนคําอธิษฐานว่าแทนที่เราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยว่าตั้งแต่เกิดมาโดยอริยกิจชาติคือตั้งแต่บวชมาในชาวบ้านก็ตั้งแต่ปฏิญาณตนเป็นพุทธบริษัทมาพอถึงตรงนี้เป็นเรื่องที่คือน่าคิดนะเวลาไปในที่ใดที่หนึ่งในที่บางแห่งที่เปิดโอกาสให้ พูดจาแสดงความคิดความเห็นหรือแม้แต่ฟังรายการวิทยุตรงตามปกติบางบังคือนำมาฟังรายการธรรมะจนถึงทีสองเราก็นึกเออชาพุดเนี่ยแสดงความคิดความเห็นแรงนะรุนแรงแล้วก็รู้สึกว่าใช่อารมณ์เยอะไม่ก็ใช่เหตุผลก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าคิดน่าทุกทวนนะ ม่าตรวจสอบดูตัวเองกันว่าเอรร๊ะทำไมอะเรามีศาสดาผู้ยิ่งใหญ่เราก็อยู่ในสายของอริยะมันก็น่าจะดีกว่าปกติและการพิจารณาเห็นความเป็นใหญ่โดยเป็นเพื่อนสัพมาจารีคือหมายความว่าเรานั้นเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทในที่นี้พระาอาจารย์ท่านเน้นไปที่พระมากปไปหน่อย ก็สัพ ร, รมัจจารีก็คือผู้ประพฤติภูมิจรรยร์ร่วมกันถ้าใช้คำว่าสัพพรรมจจารีหรือสาธมิกเนี่ยมันจะหมายเฉพาะกลุ่มนักบวชห้าประเภทนะฮะพิสูพิสูนีอุบาสสัมเนรสําเ น, นรีนงังติขามานาสัพพรรมจจารีเองก็กรอบมันจะเป็นอย่างนั้นแต่เรามองในแง่ของความเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทเนี่ยเป็น ปณิธานจะเกิดขึ้นภายในประทัยของพระธเจ้าตอนศัสรุใหม่ๆเลยโดยมุ่งหวังที่จะสร้างองค์กรที่เรียกว่าพุทธบริษัทขึ้นเพื่อให้การศึกษาแล้วก็เน้นย้ำติการประพุติปฏิบัติจนท่านได้สัมผัสผลแล้วก็ปฏิบัติภารกิจโดยเสด็จรอยขุนบาทของพระเจ้านี่คือการเผยแผ่ เด็กก็มีศักยภาพที่จะดูแลปกปักรักษาพระศ า, าสนาได้และ้เราจะเห็นว่าเราพิจารณาเห็นความเป็นใหญ่ว่าเราคือหนึ่งในพุทธบริษัทคือยังฝันนะ ย, ยังฝันว่าชาวพุทธเรากับคณะสงฆ์เนี่ยมันน่าจะตั้งวงคุยกันว่าการนำสื่อพระศาสนาเนี่ยถ้าเรามองในสมัยโบราณเนี่ย จิรู้ประชาานมีส่วนเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประชาชนเนี่ยถ้ามีส่วนเยอะประเทศไทยนี่ชัดเจนเลยนะพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกคล้ายๆกับเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาที่สร้างไปเพราะหน้าที่การป้องกันภัยขจัดภัยการทะรลุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นพระราชภาระอย่างหนึ่งตั้งแต่โบราณมาเลยก่อนสุโขทัยอีกนะ ดูมานะยุคพุทธกาลก็เหมือนกันในหลังพุทธกาลก็เหมือนกันยังไงนะแต่เวลานี้มันคล้ายๆกับพระสงฆ์ทุกโดดเดียวนะพระสงฆ์เป็นผู้นำในการทอดผ้าป่าในการทอดกรถิ้นในการเรียรไรสร้างโบสถ์สร้างกุฏิโอ้ยุ่งไปหมดเลยภารกิจเหล่านี้ที่จริงเป็นภารกิจของพุทธบริษัทขวายชาวบ้านดี่เามีเงินมีทอง พระเราไม่มีเงินมีทองอย่าไปสร้างนั้นนั้นได้ยังไงเราก็ทํางานของเราไปในสายที่พระเจ้าทรงสอนว่าทายธรรมะสังฆะคือสงเคราะห์โดยธรรมชาวบ้านก็สงเคราะห์โดยอมิตรเพราะเขมีอมิตรอะพระก็มีศึกษาทําปฏิบัติตามก็สงเคราะห์โด้ธรรมแล้วก็ต่อไปก็เหมือนกันนะ่ะเว้นการเกี่ยวข้องกับคนที่เกียรติร้านแล้วก็คบหาสมาคมกับคนที่ปรดล็ความเพียร คือถาเรานั่งกับคนที่ประร ค, ความเพียรเนี่ยโอกาสที่เราจะแกล้งเนี่ยยากเพราะว่าท่านจะทําตัวเป็นตัวอย่างเช่นสมมติเราจะชวนท่านคุยเนี่ยท่านไม่คุยเด้อดท่านจะนั่งสมาธิท่านจะอ่านหนังสือถ้าคุยท่านก็คุยเป็นอัดเป็นธรรมคุยถึงธรรมโอธรรมะตั้งคําถา ม, ห ม, ห ม, หมให้คิดให้พยายามที่จะตอบคําถามเหล่านั้นเพราะฉะั้นเราก็ต้องตื่นตัวตามไป เมื่อเราเดินคนเดินเร็วนะฮะถึงแม้เราเดินช้าเราก็ต้องเดินเร็วด้วยเพราะแม่นก็เดินเก่งไม่ทันแล้วก็เป็นผู้มีจิตที่น้อมไปในวิริยะสัมโพชงหมายความมองเห็นคุณค่าของความเพียรพยายามตีตนเองจะได้จากการใช้ความเพียรพยายามในในเหล่านั้นที่จริงก็กรอบมันก็อยู่แค่แค่แค่สี่อย่างอย่างที่บอกเนี่ย กิเพียนพยายามในการป้องกันความชั่วในการขาจัดความชั่วในการเสริมสร้างความดีแล้วก็การรักษาความดีท่านอธิบายว่าเราไม่อาจเพื่อให้ิริยัติสัมโพชฌงเกิดขึ้นในเวลาที่เสบยทุกอย่างใหญ่หลวงเช่นว่าคนที่ต้องประสบความทุกข์ทรมานเนี่ยตั้ง า, ารไม่พร้อม แต่ไม่ใช่ข้อยุตินะฮะเราอย่าลืมว่าไม่ใช่ข้อยุติว่าต้องเป็นอย่างนี้ล้วยกตัวอย่างเช่นว่าพระติสสะปูติคัตตะเนี่ยร่างกายท่านเปื่อยเน่าทุกทรมานเหม็นหึงพระเจ้าไปช่วยจัดการอาบน้ำอาผ้าผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ก็บวดบวดทรมานะ่ะพระเจ้าก็เอาร่างกายมาสอนให้ท่านเพ่งดูที่ร่างกาย มันเป็นเป็นทุกขสัญญา์าคือกําหนดเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกเป็นเน้นที่ทุกขเวทนาก็เห็นชัดนะฮะมันก็เจริญมรรคผลเป็นบรรลุมรรคผลเป็นพระานได้แต่ว่าโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปเช่นสมมุติเราพูดง่ายาเราปวดท้องอเนี่ยเรานั่งสมาธิไม่ได้หิวข้าวอย่างเงี้ยเราก็นั่งสมาธิไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงว่าลงทันทรมานอะไรหรอก หรืออากาศร้อนจัดหนาวจัดให้เราสังเกตถ้าร้อนจัดหนาวจัดเนี่ยเราใจสงบไม่ได้เพราะตัวปัจจัยเสริมเนี่ยมันจึงเป็นเน้นที่ตัวส ป, ปายะความเพียรจะเดินไม่ได้ถ้ามันขาดส ป, ปายะขาดความสะดวกสบายเนี่ยมันบีบคั้นทางอะไรต่างๆทางกายหรือทางใจก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือถ้ากายก็ใจมันเป็นเกาะที่กายเลย ขอทิฐิ ก, กเวทนาที่ปรากฏเกดกายเปลีรนวิยาสมโพธชงจึงต้องใช้จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเพราะงั้นท่านบอกวิเรียนนดุกมะเจติคนร่วงทุกได้เพราะความเพียรก็ส่งกันถึงนิพพานน่ น, นะท่้งฝังทนายเสียงธรรมจากมาวิทลัยสีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่า น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรม จะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี